ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นวินัยะสังหะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่32ครุกาปัติวุธธานะวินิจฉยากถากระถาวิจัยว่าด้วยเรื่องการออกจากครุกาบัิต่อ ก็ถ้าอาบัติไม่ได้ปกปิดไม่ต้องให้ปริวาสให้มานัทเท่านั้นแล้วจึงอภานพิสูผู้ประพฤติมานัทแล้วถามว่าทำอย่างไรเมื่อจะให้มานัทพึงให้เธอขอสามครั้งอย่างนี้ก่อนก็คือถ้าพิจูดที่ต้องสังฆทิเศษอย่างใดอย่างหนึง่งจะเป็นอาบัติสุการวิสัตถิหรือว่ากายสังสารค้าจะต้องกายหญิงอาบัตที่เป็นปัถมาปฏิกะให้ต้องอาบัตแต่แรกทำเก้าข้อเนี่ยนะ แล้วก็ไม่ได้ปกปิดก็ไปบอกกับพิจาุรูปใดรูปหนึ่งเลยอันนี้ก็ไม่ต้องอยู่ปฏิวัตก็อยู่มานัทได้เลยอยู่มานัทหกราตรีขึ้นไปอยู่สักแปดราตรีหรือว่าสิบราตรีก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอปติชนะมานัทก็คือมานัทสําหรับพิจารุที่ไม่ได้ปกปิดไว้คําขอก็ให้ขอสามครั้งอย่างนี้ว่าอะหังพันเตสัมบวอุลาอาปติโยอปัอปิชิงอปติชันะโย โตหังผันเตสังขังสัมบ a าวลา낭อาปตินังอาปติชนนา낭ชาระตังมาณตังยาจามิข้ายสองก็มีคำ ว, ว่าดุติยปิเท่านั้นเองอหาหังผันเตสัมบ่าวลาอาปติโยอาปติชิงอาปติชนนายโยดุติยปิผันเตสังขังสัมบ่าวลา낭อาปตินังอติชนนา낭ชาระตังมาณตังยาจามิ อาหังผันเตสัมบหุลาอาปติโยอาปจินอาปติชันายตัดติยัปิผันเตสังหังสมบบูลานัอาปตินัอาปติชันนานังชาระตัมานตัยาจามิไอสุผู้ชราผู้สามารถก็ให้กรรมวาจาอปติชนะมานัตก็แปลอย่างนี้ว่าสุมตุเมผันเตสังโฆยังอิธานาโมภิกขะ สัมบัณหลาปติโยอาปาิอาปติชนนายโยโสสังขังสัมบัณหลานังอปตินังอปติชนานังชาระตังมานตังยาจติยดีสังคภาษะปตะกัลลังสังโฆอิทันามัสสภิกขุโนสัมบัณหลานังอาปตินังอาปติชนานังชาระตังมานตังดเดยะเอสายติอันนี้ก็เป็นการประกาศให้รู้ที่ว่าญติ แล้วก็สวดอนุสาวนา3ครั้งจะสวดครั้งเดียวเท่านั้นสุโมโตเมผันเตสังโฆอยังอิทนานโมภิกขะสัมบ่าวลาอาปาติโยอาปาชิอาปาติชนะโยสสังขังสัมบ่าวลานังอาปาตินังอปาติชนานังชาระตังมานตังยาจติ สังข่ยท่านามาสาภิกุโนตัมบ่วลานังอาปตินังอปติชนานังชาระตังมาณตังเดติาสยญสมโตขมติท่านามาสาภิกุโนตาลานังอปตินังอปติชนานังชาระตังมาณตาสะดานังโซตุลัสลาญาสานักมติโซพาติยะทั้งที่สองก็ว่า ดูติยามปีเอตามาทังวดามิสุมาตุเมผันเตสังโขข้ขความละก็เหมือนกันท่านที่สามก็ว่าดุ ต, าติยาม ป, ปีเอตามาทังวดามิสุมาตุเมผันเตสังโขก็ขความละเหมือนกันหมดสรุปตอนท้ายก็ว่าดินนางสังเทนาอิทั น, นามาสัภิกโนสัมบหุลานังอาปตินัง อาปติชั่นนานางชาระตังมาณตังธรรมตีสังขสตัตสมาตุนสีเอวะเมตังธารยามิในเวลาที่จบกรรมวาจารพึงทราบการสมาทานวัดการเก็บวัดการประพฤติมานัตทั้งปวงตามในที่กล่าวแล้วนั่นแลก็คือเมื่อสรงให้มานัตเรียบร้อยแล้วก็สมท า, านวัดสมาทานวัดก็ มานัตตังสมานิยามิวัดตังสมานิยามิขับเจ้าขอสมาทานวัดแล้วก็ข้าพเจ้าขอสมาทานมานัตขอสมาทานมานัตขอสมาทานวัดบอกอันเดียวก็ได้บอกสองอันก็ไม่ผิดอะไรเมื่อจะบอกมานัตก็บอกอย่างนี้นะบอกครั้งเดียวบอกมานัตถ้าขอมานัดสองครั้งบอกมานัดครั้งเดียวคำบอกอัปติชนะมานัต อหังผันเตสัมบัคุลาอปาติโยอปาชินอปาติชัญนาโยโสหังสังหังสัมบัคุลานังอปาตินังอปาติชัญนานาชาตตังมานาตังยาจิงตาสเมสังโคสัมบัคุลานังอปาตินังอปาติชัญนานาชาตตังมานตังอดโสหังมานตังรามิเวิยามหังันเตเวิยตติมังสังโทาเรตุ อันนี้ก็เป็นการบอกกระสงเมื่อจะบอกกระพิจุดรูปเดียวสองรูปหรือว่าสามรูปพึงบอกตอนใหนที่กล่าวแล้วในปฏิชันะมานัทนั่นแหลก็คือถ้าบอกกระพิจูรูปเดียวก็เปลี่ยนคําว่าสังโคเป็นอายสมมาถ้าบอกกระพิจูดสองรูปก็เปลี่ยนเป็นอายสมมันตาถ้าบอกกระพิจุดสามรูปก็เป็นอายสมันโตเปลี่ยนตอนท้ายเท่านั้นเองก็คือตอนท้ายก็แอกว่า เวดิยา ม, ah ายมังพัเนเ ต, น ต, ตเวดิยติติมังอายสมันตาหรือว่าอายสมมาอายสมมาก็พิสุรูปเดียวอายสัมันตาก็พิสุสองรูปอายสัมโตก็พิสุสามรูปเวดิยาตีติมังอายสัมโตทาเบตตทาเรนตุถ้าเป็นสองรูปสามรูปต้องใช้คำว่าทาเรนตุพิสุรูปเดียวใช้คำว่าทาเรตุถ้าสงก็ทาเรนตุเหมือนกัน ก็แลเมื่อประพฤติมานับแล้วสองพึงอภานทิจูนั้นในที่มีทิจุตรงยี่สิบรูปอันหนึ่งเมื่อจะอภพนพึงให้เธอขอสามครั้งเหมือนกันแล้วก็การประพฤติมานัดก็เหมือนกับที่ปกปิดไว้ก็คือถ้าประพฤติในวัดได้หมายถึงว่าสามารถชําระให้บริสุทธิ์ได้มีพระทิจูน้อยก็ไม่ต้องเก็บวัดแต่ถ้ามีทิจูน้อยแล้วก็ทิจุจาริกจรนไปจรมาบ่อยๆให้เก็บเก็บมานัดเก็บวัด แล้วก็ไปสมาทานตอนใกล้อรุณตับพิจุ 4-5 รูปขึ้นไป4รูปก็ได้5รูปก็ได้ในที่จักรโล่ล้อมงเลตุบาทออกไปแล้วก็ไปสมาทานสมาทานแล้วบอกว่าเสร็จแล้วเมื่ออรุณขึ้นเก็บวัดถ้าพิกจุรูปใดมาในที่นั้นก็ต้องบอกบอกก่อนแล้วก็เก็บถ้าเก็บแล้วก็ไม่ต้องบอกและเป็นพิกจุปกษษติตะไป ก็อยู่มานัดครบหกราตรีก็คืออยู่เกินไปแปดราตรีสิบราตรีแล้วเป็นผู้ควรแกอภานเป็นผู้ควรแกอภานอภานาระหะพิตุถ้าเก็บวัดก็ต้องสมาทานมานัท ก, ก่อนสมาทานวัดก่อนแล้วก็บอกมานัทจึงขออภานแต่ถ้าเกิดอยู่เรียบร้อยแล้วไม่ได้เก็บวัดเป็นผู้ที่ควรแกอภานเลยขออภานได้ทันทีเลยขออภานก็ขอสขามครั้งเหมือนกัน จะบอกครั้งเดียวอหังพันเตสัมบบลอาปติโยอาปจินอปติชนนาโยโซหังสังขังสัมบบลานางอปาตินางอปติชนานางชาระตังมานตัญาจิงตาสเมสังโขสัมบบูลานางอาปาตินางอปาติชนนานาชาตตังมานตังอาดาสีโซหังจินนามาโตสังขังอภานางาจามิครั้งสองก็เป็นดุติยมปิคั้งาก็เป็นตติยมปิ เราไม่ต่างกันก็พึงกระทนกรรมวาจาให้อภารอย่างนี้ที่สุผู้ชราผู้สามารถตวนให้อภาร์แต่ว่าเป็นอปัติชนะอภารสุนาโตเมพันเตตังโคอยังอิันาโมภิโคสัมบ่าวลาอภัติโยอภัตชิอปตติชนายโสสังขังสัมบ่าวลานังอภัตตินังอปตติชนะนังชาตตังมาณังตัญยาจิ สังโฆทัตนามาสสภิกขุโนสัมบัหุลานังอปตินังอปาติชนานังชาระตังมานตังอาดสิโสจินนมนโตสังขังอพานังยาจติยดีสังาสะปตะกันลังสังโฆทัตนาังภิกขุอพยะเอต้ายาติสโนโตเมพันเตสังโฆอยังทัตนาโมภิกขุ สัมบัณหาอปาติโยอปาชิอปติชนนายโตสังขังสัมบัลานังอปตินังอปติชนนานังชาระตังมานตังญาจิสังโขยท่านามาสภิกขโนสัมบัณลานังอปตินังอปติชนนานังชาระตังมานตังอดาติโตจินนามาโตสังขังอภานัญาจติสังโขอท่านามังภิกขุอเพติญาตาญาตมโตขัมมติ อิทัณน so so ามาตาภิคุโนอัพพานังโซตุลัสะยะสานัขมติโซพาเสยยะดุติยปีเอตตมทั้งวดามิสุนาโตเมผันเตสังโฆข้อความละ ก, ก็เหมือนกันข้อที่สององันทสารก็ว่าตติยปีเอตตมทั้งวดามิสุนาโตเมผันเตสังโฆก็ความละเหมือนกันหมดสรุปตอนท้ายก็ว่า อภิโตสังเทนิทานนามภิกขุคมติสังัสัตัสมาตุนีเอวะเมตังธารยามิแปลว่าภิกษุชื่อนี้อันสงอับทานแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ภิกษุรูปนี้ก็ชื่อว่าเป็นภิกษุบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกังวลเดือดร้อนใจเกี่ยวกับอาบัติที่ตนเองต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของ การออกจากคเคธว่าวุฒานคามินีวุฒานคามินีคือการออกจากอาบัตหนักซึ่งจะต้องให้สงทํากรรมให้ตึงสร้างการออกจากอาบัตที่ไม่ได้ปกปิดด้วยประการชนีแลถ้าทิกสุบางรูปมีอาบัตตัวหนึ่งปกปิดตัวหนึ่งไม่ได้ปกปิดเกิดปกปิดตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่ได้ปกปิดทำยังไงสงก็ให้ปริวาสเพื่ออาบัตที่ปกปิดกับเธอแล้ว เมื่อจะให้มานักแก่เธอผู้อยู่ปริวาาแล้วก็ประมวลอาบัตที่ได้ปกปิดกับอาบัตที่ไม่ได้ปกปิดให้กรรมวจจาจึงควรก็มีวิธีการกระทําอย่างนี้ก็คือถ้าปกปิดตัวหนึ่งอยู่กี่วันสิบ ว, วันก็ให้ปริว่าสิบวันแก่อาบัตแั่งอาลิเศษที่ปกปิดเอาไว้สิบวันแล้วก็อยู่ปริว่าไปให้เรียบร้อยสิบวัน เมื่ออยู่ปริวัาเรียบร้อยสิบวันแล้วตอนนี้ก็จะต้องขอมานัดเพราะฉะนั้นอาบัตสังการพิเศษที่ไม่ได้ปกปิดขอมานัดได้เลยขอมานัดรวมเรียกว่าเป็นสโมโอหานก็คือประมวลขอมานัดสาหรับอาบัตที่ปกปิดกับมานัดสาหรับอาบัตที่ไม่ได้ปกปิดจำนวนรวมกันขอสครั้งนะแล้วมีคาถามว่าจะให้อย่างไร ถ้าอาบัติที่ปกปิดไว้ปิดไว้เพียงวันเดียวคุณให้เธอขอสามครั้งอย่างนี้ว่าคาขอเอกาหปฏิชนะและอปฏิชนะมานัทเอกาหปฏิชนะก็หมายถึงว่าปกปิดวันเดียวอะฮังพันเตสัมบา่าวลาอาปฏิโยอาปฏิงเอกาหปติชนะโยโซหังสังขังสัมบา่าวลานางอาปฏินางเอกาหปฏิช ah นะน n งเอกาหปริว ah ัส a ัญญาจริง แต่สามสังโฆสัมบอหลานางอปตินางเอกห์ปติชนะนางเอกห์ปริวาสันอาดัสิโสหังปริวุฒาปริวาโสอหังผันเตสัมบอหลาอาปิโยอาปติชังอตชนะโยโสหังผันเตสังขังตานางสัมบอหลานางอปตินางปติชนะนางจาอาปตชนะนางจชาระตังมาณตังยาจามิขออย่างนี้สาครั้งด้วยกัน ข้อที่สองก็ดุติยมปิข้อทสามก็ตาติยมปิทรงก็ให้มานัตโดยที่เป็นเอก า, าปฏิชนะมานัตปกปิดวันเดียวกับอปปิชนะมานัตก็คือไม่ได้ปกปิดไว้ที่สุพุชราผู้สามารถให้กรรมวาจานอย่างนี้ว่าสวดกรรมวาจานอย่างนี้สุนารุเมผันเตสังโฆยังอิทั น, นามวิโคสังบะหุลาอาปติโยอาปัชิ เอกาหะปปิชันายโสสังขังสัมบัหุลานังอาปตินางเอกาหปปิชันานางเอกาหะปริวาสังยาจีสังโขยิทัณนาม u สภิกุโนสัมบัณหุลานังอาปตินางเอกาหะปปิชันานางเอกาหะปริวาสังอาดัสีโสปริวุฒาปริวาโสอายังิทัณนามอภิกุสัมบัณหุลาอาปติโยอาปติอาปติชันายโย โสสังขังตาสสบัณหลนางอปตนางปติชนานันจอาปติชนะนันจาชาระตังมานตางยาเจติยดีสังาสปตะกันลังสังคอยธันนามาสะิคุโนตาสัสบัณลนางอาปตินางปติชนานันจอปติชนะนันจชาระตังมานตังดดยยะเอตยปก็คือขอมนัดสำหรับ ปิดไว้วันเดียวกับไม่ได้ปิดไว้รวมกันที่เป็นยติส่วนอนุสาวนาสามครั้งเหมือนกันสุนาตเมผันเตตั้งโขอะยังอิท น, นาโมเพโคสัมบ่าวลาอาปัติโยอาปะชเอกาหาปติชนนายโยโตสังขังสัมบ่าวลานางังอาปัตินังเอกาหาปติชนนานางังเอกาฮาปริวังสังยาจิ สังข่อยท่านนามาสะพิกุโนสัมบ่าวูลานังอาปาตินังเอกาหะปปิชนนานังเอกะปริวาสังอาดัสีโสปริวัฏฐปริวาตโตอะยังอิท่านนามอภิโกสัมบ่าวูลาอาปาติโยอปาชิอปาติชนานโยโสสังขังตาสัมบ่วูลานังอาปาตินังปปิชนานันจาอปาติชนานันจาชาตตังมานตายาจติ สังข่อยท่านนามาตถิคุโนตาสังสัมบอาหุลานังอาปตินังปติชนนานันจาอาปติชนนานันจาชาตตัมาณตาเดเตยักษายาสมะโตธรรมติอ่านามาตถิคุโนตาสังสัมบอาหุลานังอาปตินังปติชนนานันจาอาปติชนนานันจาชาตตังมาณตาตาดานังโสตุลหัสายักษานัคธรรติโสพาสยยะ ดุติยมปีเอตมาังวดามิสุนารโตเมผันเตสังโฆเข้าควาละเหมือนกันตติยมปีเอตมาทังวดามิสุ n ารโตเมผันเตสังโฆเข้าควาลเหมือนกันสรุปตอนท้ายก็ว่าดินนางสังเคนทิท น, นามาซพภิคุณโอตาสังสัมบูลานางอาป a ตินาปฏิชานานันจาอาปาติชานานันจา ชาระตังมานตังคมติสั่งคาซาตัสมาตุนสีเอวะเมตังธารยามิในเวลาจบกรรมวาจากิจทั้งปวงมีการสมาทานวัดเป็นต้นมีในดังกล่าวแล้วก็ต้องสมาทานวัดเมื่อสมาทานวัดแล้วก็ต้องบอกมานะแล้วก็จะเก็บก็ค่ยว่ากันถ้าเกิดจะดเดินทางกลับมารงตัวเองก็เก็บเสีย ก็เก็บแล้วไปอยู่ที่วัดก็สมาทานแต่ถ้าเกิดมีพิษตุมากมายไม่สามารถประพฤติมานัดได้หมดจดก็เก็บแล้วก็ไปสมาทานตอนใกล้อารุณขึ้นตอนตีสี่สี่ครึ่งไปกับพิษตุสี่ 4, รูปห้ารูปไปสมาทานอารุณขึ้นมาแล้วค่อยเก็บก็นับราตรีอย่างนี้ก็ได้ก็เมื่อจะบอกวัดก็พึงบอกอย่างนี้ก็คือเวลาที่จะบอกมานัดก็บอกสําหรับมานัด เอกาหปฏิชนะกับอปฏิชนะมานัรวมกันอ่างพันเตสัมบ่าวลาอาปฏิโยอาปะินเอกหปิชนะโยโซฮังสังถังสัมบ a าวลานังอาปฏินังเอกหปิชนะนางเอกาหปริวาสังยาจิตัสสเมสังโสัมบ่าลานังอาปฏินังเอกหปิชนะนางเอกาหปริวาสังอาดสิโซฮัปริวุฒาปริวาโส อหังผันเตสัมบัคขุลาอปาติโยอปาชินอันายโยโซหังผันเตสังขังตาสังสัมบัคขุลานังอปาตินังปฏิชัญนานานจาอปาติชนานานจาชาระตังมาตังยาจิงตาสเมสังโขตาสังสัมบัคขุลานังอปาตินังปฏิชัญนานจอปาติชนานานจาชาะตังมาตังอดาีโซหังมาตัรามิ เวดิามหังผันเตเวดิยะติติมังสังโธทาเรตุถ้าบอกกับพิกษุรูปเดียวก็ว่าเวดิยาติติมังอายะสมาทาเรตุถ้าบอกกับภิสดูสองรูปก็ว่าเวดิยะติติมังอายะสมันตาทาเรนตุถ้าบอกกับภิกษุสารูปก็ว่าเวดิยะติติมังอายะสมันโตทาเรนตุ อเนรพนิสุผูสมาทานมานัตแล้วพึงประพฤติมานัตหกราตรีตามในที่กล่าวแล้วไม่ให้บกพร่องสงพึงอภารพิสุพูประพฤติมานัตแล้วในที่ที่มีพิกสุสงครบยี่สิบรูปก็เมื่อจะอภารพึงให้เธอขอสามครั้งขอสาครั้งอย่างนี้ว่าคำขอเอกาหปฏิชนะและอปฏิชนะอพาน ก็คืออภารสําหรับที่สูตที่ปกปิดอาบัตวันเดียวแล้วก็ได้ปกปิดอาบัติไว้รวมกันสมุทรานรวมกันอะหังพันเตสัมบ่าลาอาปาติโยอาปาจิงเอกะหะปฏิชนนายโยโซหังสังหังสัมบ่าวลานังอาปาตินังเอกะหะปฏิชนนานังเอกะหะปริวาสังญาจิงกาสามสังโฆสัมบหาลานังอาปตินังเอกะหะปฏิชนนานัง เอกาภิริวาสังอาดัสิโตหังปริวุฒาภิริวาโตอาหังผันเตสัมบ่าวลาอาปฏิโยอาปัจจิงอาปฏิชนนาโยโตหังผันเตสังขังตาสังสัมบ่าวลานางอาปฏีนางปฏิชนนานันจานาปฏิชนนานันจ่าช่าระตังมานตังยาจิงตาสเมสังโขตาสังบ่าลานอปีนปิชนานนจาปิชนานนจา ชาตระตังมานาตังอาดาสีโซหังผันเตจินนมามะโตสังขังอภานังยาจามิตอนที่สองก็ดุติยมปิตอนที่สาก็ตอ ต, ติยมปิเพราะความเหมือนกันก็ที่ตุกผู้ชราผู้สามารถถึงสวดกรรมวาจาอัพานกรรมวาจาให้เอก า, าปฏิชนะและอปฏิชนะอัพานาตุมาโตเมผันเตสังข อาอย่าัณนามภิกสัมบ่าลาอปติโยอปัจจิเอกาหะปะเตชะนะโยโสสังขังสัมบ่าลานางอปตินางเอกาหะปะเชนะยะเอกาหะปะเชนะนางเอกาหปริวัสังยาจิสังโฆอิท a ณนามาสภิกขโนสัมบ a n วลานางอาปัตินางเอกาหะปะเชนะนางเอกาหปริวัสังอาดส โสปริวุฒาปริวาโตอะยังอิทนาโมภิกขะสัมบ่าวลาอาปัติโยอาปัจจิอาปัติชนนาโยโสตังขังตาตังสัมบ่าวลานัอาปัตินังปัติชนนานันจาอาปัติชนนานันจาชาระตังมานตาญาจิสังโขอิทนามาตาภิโนตังสัมบ่าวลนอปตินังปติชนานัอาปัติชนนานันจาชาระตังมานตัง อาดาสิโซจินนะม า, าตโตสังขังอภานังยาจติยดีสังภาษาปะตะกันลังสังโขยท่านนามังพิกุงอพัยยะเอสายติอันนี้ก็เป็นการประกาศให้รูกก้ล่าวแรกตัวนอนุสาวนาสามครั้งก็ว่าสุมาตตเมผันเตสังโขยังอิท่านนามพิกุ สัมบัณหุลาอาปาติโยอาปเอกหปติชนนายโสสังขังตาสังสัมบหลานางอปตินางเอกาหปติชนนานางเอกาหปริวาตังยาจีตังโขยทัณนามาตาภิโสัหลานางอปตินางเอกาหปติชนนานงเอกาหปริวาตังอดานโสปริวุาปริวาโยงอิทันามอภิ สัมบ่าวลาอาปัติโยอาปัจจิอปติชนนายโยโสสังขังตาสังสัมบ่าวลานังอาปัตินังปิติชนานันจอาปติชนานันจชาระตังมานตัญญาจิสังข่อยทนานามตาภิคุโนตาสังสัมบ่าวานังอปัตินังปิติชนานันจอาปิติชนานันจชาระตังมานต์อาดาสีโสจินนามาโตสังขััฏฐานัญญาจติ สังโฆท่านนามังพิกุงอภเพติยัสซ้ายยัญสมโตขมติอีท่านนามาจ่าพิกุโนอภานังโสตุนสวาสตาญาตานักมติโสพาเสยยดุติยัมปีเอตัมทั้งวดามิสุนารตเมพันเตสังโฆข้อความระก็เหมือนกันดุติยัมปีเอตัมทั้งวดามิ ตุนาโตเมผันเตสังโคก็อําลรักเหมือนกันตอนสุดท้ายก็สรุปว่าอภิโตสังเขนิทานนามภิโค ข, ขมติสังขตะตัสมาตุนฮีเอวเมตังธารยามิก็พิสุจน์ที่ต้องอบัสังคัดนิเศษโดยปกปิดไว้หนึ่งวันแล้วก็ต้องอบัสังคัดนิเศษโดยที่ไม่ได้ปกปิดเอาไว้ ก็ขอมานักดูมานัดได้ร้อยแล้วก็ขออภานโดยเป็นสมุทานก็คือประมวลประมวลรวมกันอันนี้ก็เป็นปฏิชนะปริวาสกฐาจบสุดทันแา่ปริวาสกับสมุทานปริวาสเอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่กระพติข้อวัดปฏิบัติรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมดจด จะได้เป็นบาตรของสมถะและวิปัสนาอบรมไตรศิกขาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมกระทําตามคำสอนของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าโดยความไม่ประมาทโดยทั่วกันทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ